สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของ ตามวันสําคัญสําคัญแบบนี้แต่เราจะอยู่เฉพาะวัน บุญคุณของมั่นนะแล้วนะเป็นประวัตินะค่ะเอ่อเรามีที่ตัวอย่างที่พระเจ้ายกเอาไว้ก็มุมไหนมั้ยคะที่ยัง แต่ที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออภัยประเภทเนี้ยภัยอยู่ 3 อย่างนะภัย 3 ประเภทเนี้ยจะเป็นภัยที่มารดาและบุตรเนี่ยช่วยกันไม่ได้และคือไฟไหม้ใหญ่ในย่างสมัยก่อนๆขึ้นเลยคนแอด เอ่อบางคนอาจจะมี 2 ก็คือเอ่อน้ําท่วมใหญ่นะอยู่อยู่ดีน้ําท่วมน้ํา 3 นี่ก็ นะมาจากที่ไหนไม่รู้จักชวนบทจากข้างนอกมาถึงในเมืองปุ๊บเผางนั้นเผางนี้นะแม่ไปทางลูกไปทางนะหากันไม่เจอค่ะนะและใครก็อาจจะมีความคิดว่าอันเนี้ยเป็นภัยที่แม่ นะแต่ว่าภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ๆเนี่ยคือภัยที่เกิดจากความแก่ความ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะหรือหรือว่าลูกเจ็บแทนงั้น 10 ขวบเนี่ย คือเป็นนางกับท่านใช่มั้ยนั่นก็แม่เนี่ยค่ะแล้วก็แม่ก็ปวดขาตื่นขึ้น แล้วให้ให้แม่ไม่ต้องเจ็บมันทําไม่ได้เพราะขาเรามันไม่เจ็บนี่งั้นแบ่งความโดยเฉพาะยิ่ง อยู่ที่ข้างเตียงแล้วก็คือหมอเค้าก็ให้ยาอย่างดีที่สุดนะพยาบาลก็มา นะเป็นภัยที่มารดาและ 3 อย่างนะคือเรื่องค่ะเอ่อทีนี้ภัย 3 อย่างเอ่อทั้งที่ 3 อย่างที่เช่นไฟไหม้ 3 อย่าง 2 นัยยะ 6 อย่างเนี่ยจริง ในวิธีการมีอยอย 6 อย่างนี้ทั้งสิ้นนั่นคือช่วย 8 เนี่ยพระพุทธเจ้าปราด 8 อย่างเนี่ยจะ น้ำท่วมจนกบฏได้หมดเลยค่ะอ่าก็ 8 นั่นเองก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์มีวิธีในใช่อ่า เป็นการยกตัวอย่างถึงขนาดคนที่รักกันมากที่ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าเช่นบางคนอยู่ในสึนามิเนี่ยอยู่อ่าจนกระทั่งต้องแยกแล้วก็อืมสูญชีวิตๆนิ่มๆนี่แหละอยู่ไปนานๆก็อืมอยู่ๆก็อืมแล้ว ตายเสียชีวิตตายๆนะคะๆด้วยท่าน ทีนี้ถ้า... ฟังคิดตามนะคะทีนี้ถ้าหรือๆมีเข้าถึงเอ่อเทคโนโลยี ทีนี้มันก็อาจจะถามท่านอาจารย์อ่ะนะคะเพราะว่าเข้าใจหรอกว่ามัน 8 นั้นน่ะหนีได้จริงหรออืมทําไมถึงหนีได้ล่ะคลิปไปไม่ถึงอ่ะค่ะอืมพระพุทธเจ้า 6 อย่างนั้นได้ เราบอกมันเราไม่ต้องการให้มันเกิดมีไม่ต้องการให้ 8 เนี่ยเป็นทาง 8 จิตของเราไม่เข้าไปก้าวลงไม่เข้าไปรับรู้ในสิ่งที่มันจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงมากมา แม่มาเจอภัยธรรมชาติสึนามิบ้างไม่เจอพวกนี้ค่ะยกเลิกเพิกถอนปฏิบัติอริยมรรคๆนานาอือก็ดีไปๆเลยต้องไม่ ใช่ถูกต้องต้องทําเหตุของการเกิดให้สิ้นไปเราต้องพูดอย่างงี้ค่ะเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องเกิดไม่เกิดเนี่ยคนๆแล้ว ก็น่าคิดนะครับว่ามันเป็นไปได้จริงหรอว่าถ้าทําวิธีอย่างนี้อืมเอางี้เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องเกิด อ่าพูดถึงการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเอามาตั้งตั้งเอาเนี่ยเมื่อมาพูดถึงว่าการเกิดเกิดได้อย่างไรเนี่ยๆนะคําเนี่ย หรือว่าในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราพูดเหตุเป็นผลนะถ้าอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีเนี่ยมันต้อง นะ, นะ, <ใช> นะ, 8 นะพระพุทธเจ้า เอ่ออุบัติเหตุแหล่งต่างๆมีหมดนะทีนี้ตอนเกิดล่ะตอนเกิดก็ต้องมีเหมือนกันถ้าเหตุของการตายเหตุของการเกิดถ้าเหตุของการตาย มาผสมกันใช่มั้ยแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันจะแบ่งเซลล์ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดมาได้ยังไงก็ยังไม่เข้าใจเกิดอัน ก็ให้พยายามที่จะให้ทําความเข้าใจว่ามันต้องมีเหตุมีผลนะถ้ามีเหตุเราสาวหาเหตุค่ะงั้นก็ไปฟังเรื่องการ เป็นหนี้บุญคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยโดยเฉพาะ แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญได้หมดแต่ถ้าตอบแทนด้วยสิ่งที่เหนือกว่าขึ้นไปค่ะจาคะ อาจจะแค่พาคุณแม่ไปทานข้าวแต่ระยะยาวเนี่ยให้ศีลให้มีศรัทธาให้มีจาคะให้มี